ใชไหมในสังสารวัตรที่ผ่านมาเราจะตอบผิดเราจะตอบว่าเราในสุขเวทนาะใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระุทธเจ้าบอกสเสวยสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราสเสวยสุขเวทนาอยู่ก็จริงคําว่าเราเนี่เป็นบรรญัติเพื่อให้สื่อเข้าไปให้วิจัยให้ชัดไนงะเราในคํานี้นะเพราะท่านถามบอกว่าท่านตอบเลยว่ า, วาเวทย เวทยติเนี่ยใครสเสวยเนี่ยความว่าไม่ใช่ใครสเสวยไม่ใช่สัตว์สเสวยไม่ใช่บุคคลสเสวยนะจะไปบอกว่าใครก็ไม่ได้จะว่าสัตว์ก็ไม่ได้จะว่าบุคคลหรือเราสเสวยก็ไม่ได้ที่ถามว่ากสเวทนาการสเสวยของใครไม่ใช่การสเสวยของสัตว์ ไม่ใช่การเสวยของบุคคลไม่ใช่การเสวยของเราหรือของใครทั้งนั้นไม่ใช่เลยใช่ไหมใครเสวยก็ไม่ใช่การเสวยเป็นของใครก็ไม่ใช่คําถามเหล่านี้เป็นคําถามที่บ่งบอกว่าถามสัตว์บุคคลทีนี้ประการต่อมาว่าจริงกรณาเวทนาพา่อเอกลายกินเสวยเนี่ยท่านถ ท, ที่จริงนะในคําถามที่หนึ่งในคําถามที่สองเนี่ย ท่านวิจัยนามรูปปริเฉทยานชัดเลยยาตัดิญญาของท่านในข้อเล็กๆท่านเห็นโดยความเป็นเวทนาเป็นผู้เสวยการเสวยเสวยสุขเสวยทุกข์เสวยเวทขานั้นเป็นเรื่องของเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลเห็นไหมท่านเห็นด้วยความเป็นเวทนาขันแล้วก็เห็นด้วยความเป็นวิมีทธรรมมาที่เกิดร่วมกับเวทนาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ว่าท่านแยกเห็นด้วยความเป็นนามรูปชัด เจนหมดแล้วพอมาบอกว่าจึงกระนาเวทนาเพราะเหตุลายจึงเสวยก็เพราะว่ามีวัตถุอารมณ์จึงมีการเสวยเพราะมีวัตถุมีอารมณ์จึงมีการเสวยเป็น ก, ก็แปลว่าอะไรให้สังเกต ด, ดูนะเวทนาจะเกิดได้เวทนาต้องอาศัยวัตถุไหมถ้าจากักขูสมัมผัสสชาเวทนาอาศัยวัตถุอะไรอาศัยจกักขูวัตถุเห็นไหม โอ้ต้องมีวัตถุแล้วจกักขูสัมผัสสัเชวะชาวเวทนาที่เกิดร่วมกับจักคุณญยานสวยอะไรสวยรู้อารมณ์ใช่ไหมเออเพราะมีอารมณ์ไงรู้ารมณ์ไงเขามีวัตถุคือจกักขูดวัตถุงไงการสวยจะมีได้เอาเลยมีเขาเชื่อมโยงปัจจัเยเห็นอะไรไหมอันนี้เป็นกังขาวิจารณนวิสุทธิเป็นปัจจัยปริฆายาณรู้ปัจจัยแล้วเขาไปวิจัยปัจจัยแล้วเห็นไหมอันนี้ท่านยกมาแค่นี้นะจริงๆแล้วต้องกระจายปัจจัยมากกว่นี้เล ต้องกระจายประจัยมากกว่านี้นี่จะได้เข้าใจโอ้ยนอกจากไม่ใช่สัตว์บุคคลเสวยไม่พอแม้การเสวยอารมณ์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลยรอยยังต้องอาศัยเหตุปจัจจัยมาจะเหตุปัจจัยจริงๆด้วยใช่ไหมโอ้มาจะกเหตุปัจจัยก็คือว่ามีอา ร, มร า, ม, ารมณะปัะปะจจัยมีอารามณปุเรชาตปัจจัยมีอารามณปุเรชาตทีปจัจจัย มีอารามณภูรยชาตาวิคตาปัจจัยโอ้เนี่นะโอ้อารมณ์คือรูปารมณ์นั้นกําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่เนาะยังไม่ดับไปจึงเป็นปัจจัยเกิดจากขูสัมผัสชาเวทนาเออยังมีอยู่ยังไม่ปราศจากไปเนาะเป็นต้นเหล่านี้แล้วเกิดก่อนเนี่นะแล้วก็เป็นอารามณปัจจัยแก่จากขูดสัมผัสชาเวทนานะดออ้ตัวทเวทนาจึงเข้าไปเสวยเนาะเออสัตว์โลกทั้งหลายสําคัญผิดหมดเลยอ่ะ แม่เมื่อวานนี้ไปกินอาหารอร่อยอร่อยเริ่มทัดแล้วมาเทียบเคียงแล้วแม่เมื่อเมื่อวานนี้ไปกินอาหารใช้ไม่ได้เลยเนี่ยนะทุกทับแย่เลยเนี้ยนะกินก็งั้นๆันเลเฉยเฉยก็แล้วแต่เรารู้นะท่านตัวนี้เข้าใจจิดโอ้ไม่ต่างจากเด็กนอนแด บ, บ, บอกคนนั้นแหละที่กินลงแม่เริ่มเปรียบเทียบได้ไหมในชีวิตจริงเราเปรียบเทียบได้ไหมอ๋อเนี่ยไม่รู้ตามความไจริงเป็นอย่างนี้ อ๋อสัตว์ที่มืดบอดเป็นอย่างนี้ไม่รู้จะเหตุปัจจัยของเวทนะะถ้าจักกอดูดในสังสารวัฏเราเป็นแบบนี้จริงๆใช่ไหมทีนี้ไม่ไม่พอเนาะอาศัยวัตถุคือจักขูวัตถุในจักขูวัตถุเนี่ยนะปุเรชาตปจานะัจจัยเนาะวัตถุปุเรชาตปจานะัจจัยไหมเป็นวัตถุ ด, ด้วยเกิดก่อนด้วยนะนะเป็นอาศัยาากับจักขุยานวัตถุปุเรชาต ตัทีไหมวัตถุปุเรชาตานิสยาไหมเกิดก่อนด้วยเป็นวัตถุด้วยเป็นที่สายกายจักขุกาจักขุสมภิชชาเวทนาเนาะเป็นวัตถุปุเรชาตตถดทวัตถุปุเรชาตวิชตาเป็นต้นอนี่ไหมเป็นวัตถุปุเรเป็นเป็นปุเรชาปิมธยาด้วยใช่ไหมเป็นอินทรีย์ด้วยเป็จากขุสีอะเราไปจะเห็นอ้อนี่ไงปัจจัยของเขาอันนี้อันนี้เอาในปัจจุบันไปเห็นแล้วใช่ไหม เห็นว่าโอ้จากขู่วิญญาจากขู่สัมผัสสาชาเวทนาเนี่ยทจะจะเกิดขึ้นมาได้อาศัยปัจจัยมากมายเลยคือทีนี้ทีนี้พอเริ่มเห็นตัวนี้อ๋อเวทนาตัวเนี้ยพระพุทธเจ้าเไม่ได้เห็นปัจจัยปัจจุบันอย่างเดียวเท่านั้นเนาะปัจจัยดีตอวิชชาตันหากรรมท่านเชื่อมโยงอวิชชาตันหากรรมในทีนี้อาอทาไมต้องเชื่อมโยงอย่าลืมนะการเห็นโดยความเป็นนามรูป การเห็นด้วยความเป็นปัจจัยการประชุมการแต่งเกิดขึ้นในลักษณะเนี้ความละโดยความสัตว์บุคคลต่างๆก็จะคลายตัวผู้สร้างก็จะไม่มีแล้วการเกิดขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลก็จะจะไม่มีนะเสียงสะท้อนอเสียงสะท้อนก็กลับเสียงสะท้อนนี่ครับดิเนี่ยตรงเนี้ยนะถ้าเราเอื่นนี่ไม่เอื่นเห็นไหมหายสะท้อน พอพอเป็นในลักษณะนี้ก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นอย่างนี้ชัดนะเพราะความเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่าการเห็นโดยปัจจัยการเห็นปัจจัยทั้งในอดีตและเห็นปัใจจัยในปัจจุบันพบด้วยพอเห็นปัใจจัยในอดีตแปลว่าอะไรแปลว่าในอดีตการเรามีใช่ั้มเราได้มีมาหรือหนอนีละได้เลยความกั้ขาตัวนี้ละได้หรือเราไม่เคยมีมาหนอเนี่ยเขาเรียกว่าความสงสัยสิบหกประการเข้าใจยัง ในการขาววิจารณ์วิสุทธิที่าชได้เขาล้ได้ด้วยการเชื่อมโยงเห็นปัจจัยแบบนี้นีม่มันขาดในความเข้าใจให้ขาดความเห็นว่ามีดีหรือไม่มีต่างๆมันหายมันถูกปัญญาเข้าไปไกลเกลี่ยมโมหะขาดสบัน้นตัวตัววิจิตรช้าก็ขาดความลังเลสงสัยขาดความเนื่นช้าก็ขาดอย่าลืมนะไอ้ความลังเลสงสัยเนี่ยเป็นเหตุของความประมาทและความเนื่นช้า ต้องไปดูในในคำพีจุฬาิเทศหรือในมหาดเทศนะที่ท่านสอนอชิตามาณกุหมานะไปดูดิคนเราที่ไม่กล้าลงมือปฏิบัติเพราะยังความสงสัยอยู่นี่แหละใช่ไหมกนลังเลลังเลอยู่นียังม่สงสัยอยู่มโอ้ยถ้าไม่สงสัยวันนี้เล่งเต็มสปีดมากกว่านี้แั้ชะไรอาจารย์คะาเอ้เรากจตัวนตัวนึงพระวัทั้งหกนี่จํานกน ัตบลเหมือนกันแต่ต้องไปไล่คล้องต้องให้ไล่คล้องแต่เหมือนกันแต่คล้ายกันดีกว่าแต่ปัจจัยนั้นก็เปลี่ยนแปลงสภาพไปแล้วคนละกรรมนะคนละกรรมไม่ใช่กรรมเดียวกันนะแล้วคนละเอวิชานะแล้วคนละปัญหาเนะที่ปัจจัยคนละปัจจัยเลยนะคงสร้างคล้ายกันคงสร้างคล้ายกันแต่เหตุปัจจัยเกิดไม่เหมือนจะต่างกัน ปัจจัยคนละตัวปัจจัยคนละตัวคนละตัวกโครงสร้างเหตุปัจจัยนี้มาจากอ่ายกันคลใายคลืนก น, ก น, กนทีนี้พอพอเข้าใจในลักษณะนี้เบีดเสร็จเขาเรียกว่าเชื่อมโยงโดยปัจ จ, จัยพอเห็นโดยปัจจัยเบียเสร็ทีนี้เขาเรียกปัฏิยาปริกหายานหรือว่าการขาววิทยาวิสุทธิเริ่มชัดเจนขึ้นพอเริ่มชัดเจนขึ้นหนักเข้าสูงไปกว่านั้นหน่อยท่านพิจารณาเห็นด้วยความไม่เที่ยมาปัจจุบันนี้เราไปเห็นไม่เที่ยงก่อนใช่ไหมไปสูง ขึ้นไปต้องในลากไปเจอใครใช่ลากลงมาหน่อยนะผมค่อยๆลงมาลงมาอาจารย์บน้อาจย์อธิบายนำผู้บริสิทานอาจารย์อธิบายขั้นสูงทีนี้ก็คือว่าเวทนานี่นะเวทนาที่บอกเราศึกษาเรื่องเวทนาอยู่ใช่ไหมเวทนาเกิดทั้งจากพุทวารเต้นเนี่ยตัวเวทนาเนี่ยเป็นเวทนาขันในกายานุปัสสนาที่เราเรียนกันอยู่นะ แต่ตัวเวทนาขันจะเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้เป็นนามธรรมอันนี้คือนามในเวทนาขันเนี่ยเขาเกิดร่วมกับสัญญาขันเกิดร่วมกับสังขารและขันเกิดร่วมกับวิญญาณและขันเขาเรียกนามขันสี่นามขันสี่เหล่านี้อาศัยอาศัยอะไรอาศัยหัตติยวัตถุเป็นต้นเน่ยเป็นไปอยู่ถ้าเกิดในจักขุทวาลก็อาศัยจักขุทวาลถ้าเกิดทางมนุวานก็อาศัยขัตติยวัตถุเป็นต้นนนี้เป็นไปอยู่ สรุปก็คือว่าความเป็นไปของรูปนามเหล่านี้กําลังดําเนินไปอยู่ไม่ขาดสายเนี่เขาเรียกว่าสังสาระเขาเรียกสังสารโรตีประวัติติตนั่นแหละถ้าหากว่าเราศึกษาในคําสอนเตรงนี้เราไปเชื่อมโยงในคัมภีวิสุทธิมาร์เนาะในคำพีวิสุทธิมาร์เนี่ยท่านจะพูดถึงในเรื่องของการที่บอกว่าความเป็นไปไม่ขาดสายของสังสาระของสังสารวัฏนี่นะ เขาเรียกว่าขันอายตนาธาที่กําลังเป็นไปอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรการหมุนไปของขั น, านธาอายตนาสัาสจจะไม่ขาดสายอันนั้นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสังสารวัตเนี่ยหรือว่าสังสาระจักมันเดินแนละวสังสาระจักมันเดินตรงเนี้นะเนี่แหละเขาเรียกสังสาระจักมันเดินเดินไปในรักขณะอย่างนี้ก็ ค, คือการเป็นไปของปัจจัย น, นั่นเอง ก mm, e ็รูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาญใช่ไหมถ้าบอกว่าตัวจักรคูวัตถุเป็นรูปประคันใช่ไหมใช่ตัวเวทนาจักรคูสัมปัสชาเวทนาในนั้นมีสัญญาไม่มีมีสังขารไม่มีมีตัววิญญาณที่จักรุยานไม่มีนี่คือนามขันนามะขันอาศัยอะไรอา้ัยจักรคุจักรุทวานี่นะเข้อาศัยจักรคุปัสสัทธ์จักรคุปัสสัทธ์เป็นรูปประคันสรุปก็คือความเป็นไปของขันห้ากําลังดําเนินไปอยู่ท่านแั่รคุฑาวา นี่เขาเรขันเดินไปอยู่ใช่ไหมขันกําลังเกิดดับเป็นไปอยู่ทีนี้นี่มองโดยขันก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลแท้แท้จริงก็คือรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารมีอย่างถ้าว่าโดยอายตานะตัวจักขคูประสาทเป็นจกาาักรขวาเยตนะใช่ไหมก็รูปารวมเป็นรู ป, ปรารเยตนะตัวจักรคุญานเป็นมนาเยตานะตัวเวทนาสัญญาสังขารญาณเป็นธรรมายตานะเห็นไหมตัวจักขคูสัมผัสชาเวทนาเป็นธรรมายตานะ อ, อ, อยู่นี้เป็นธรรมายตนะ <c oughs> เห็นไหมเป็นธรรมายต น, นะนั่นเองนั้นมองในความเป็นอายตนะก็ได้ถ้าสัตย์จะตัดสิรู้เพราะฟังอายตนะพระอาจาจะบอกอายตนะถ้าสัตจะตัดสริรูเพราะท่าพระ อ, องค์จะบอกว่าทา่าใช่ไหมจากขุยญาณในท่คือจากขุยญาณสัญญาเวทนาสัขงขารที่เกิดร่วมกับจากขุยญาณในท่าเป็นธรรมะทา่าพระอาจาก็บอกตัวเวทนาเป็นธรรมะทตาปารกรูปะท่าอาศัย จากขู่ท่าเห็นไหมจะพูดอย่างนี้เลยบอกอ๋อแท้ที่จริงก็คือว่าขันอายตนะทา่ากําลังดําเนินไปอยู่เห็นไหมนักจารศัตรูตรเพราะฟังขันห้าผู้เจ้าตัดขันห้าจะตัดทะลุเพราะอายตนะผู้องค์บอกอายตนะถ้าจะตัดทะลุเพราะทา่าผู้องค์บอกทา่าถ้าอเห็นไหมแล้วก็ประชุมลงอริยศาส์บอกว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารจิตญาณจะเป็นจักขวายตนะ ใช่ไหมจะเป็นจักขูจะเป็นมนายาตนะจะเป็นธรรมายญตนะจะเป็นจักขู่นะนะขทา่าจะเป็นจักขูญาณท่าหรือธรรมทา่าแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้ก็คือทุกข์สัตว์ก็คือทุกขสัตว์ทุกข์สัตว์เธอควรทากิจอะไรกําหนดรู้คือรอบรู้กําหนดรู้ยังไง ก, กํกาหนดรู้ด้วยความเป็นนี้ทุกข์ไปวิจัยทุกข์หนึ่งไปวิจัยทุกข์ เอาวิจัยยังไงทำยาตาปริญยาว่านี่คือรูปนี่คือนามยังไงเอาวิจัยความปทุกข์แม้เธอไปวิจัยด้วยความเป็นรูปเป็นนามในต้นเธอก็ต้องรู้นะว่าชื่อด้วยไม่ใช่ไม่รู้ว่าพี่ดีเขาเรียกจักผูกใช่ไหมก็ต้องรู้ถ้าถ้านบอกว่าโลกียปฏิเวทญาณนะไม่ลุ่มหลงในปรมัตถะบัญญตัติในขณะปฏิทังก็ปะหาน เพราะจะเป็นปัจจัยแตโลกุตละปติเวทยามเพื่อจะละความรุ่มหลงได้อย่างเด็ดขาดในปรมาเทศบัญญัติในขณะหิมมะกูเห็นแล้วนะตีนี้นะเชื่อมโยงอย่างนี้จริงๆคือการวิจัยนั้นเพื่อไม่เพื่อจะได้ไม่เป็นที่ตั้ ง, องของกิเลสเพราะกิเลสฉลาดเยอะถ้าวิจัยอย่างนี้มองมุมไหนเอาทีจะมองในแง่ของไม่เที่ยงเอาเขาไม่เที่ยง กิเลส ก, ก็หมดหมดความหวังอาจารย์ทำไม่ราดูจริงอธิบายไม่ได้ใช่ไหมนั่นอธิบายไม่ได้ใช่ไหมถ้าจะไปมองว่าเออไม่เที่ยงใช่ไหมกิเลสมันชอบของเที่ยงเนี่ย <S <S ตัณหาเป็นต้นเราเนี่ยนะตัณหามันชอบของเที่ยงพอพิจารณาวิจัยออกไปยึดเอาปัจจัยปัจจัยก็ไม่เที่ยงเอาแล้วผลของปัจจัยจะเที่ยงแต่ที่ไหนเอาใช่ไหมเหตุ ก, ก็ไม่เที่ยงผลก็ไม่เที่ยงเหตุเป็นทุกข์ผลก็เป็นทุกข์เหตุเป็นอ น, นัตตาผลเป็นอ น, นัตตาเอากิเลสหมดโอกาส เอาเหตุไม่งามเนาะผลก็ไม่งามโหเจดธาี่พึ่งไม่ได้แล้วเป็นโรคเป็นหัวปี๊ปัจจเป็นโรคเป็นหัวปี๊ในตัวผลของเขาก็เป็นโรคเป็นหัวปีฟอร์มเนสปัญหาพราะรู้นี้ตั้หามอรปัญญาก็เปล่งเบ่งบานเนาะโอพุทโธไป็ น, นี้เองใช่ไหมพุทโธเป็นอย่างงี้แหละาอจรร ไ, ไม่ให้สังขารมาประชุมกันเลไม่ได้มึต้องมาปทะาุมอยู่เลยอาจารย์จะทิ้กพวกเราไม่ได้แล้วทีนี้คุณทีจะได้ไปเอาสังขารมาประชุมกันทีนี้พอพอพอท่านวิจัยจะรักสณานี้ใช่ไหมทีนี้พอเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใช่หมพอเห็นโดยความไม่เที่ยงพละอะไรพรานิแกสัญญาคือความสุำทัญหมายว่าเที่ยงได้ ถ้าเห็นด้วยความเป็นทุกข์ก็ละสุขสัญญาคือความสำคัญหมายว่าเป็นสุขได้ถ้าเห็นด้วยความเป็นอนัตตก็ละอัตตสัญญาความสำคัญหมายว่าเป็นตัวเป็นตนได้ไหมได้ด้วยใช่ไหมพอเห็นเห็นโดยพอเบือนายเบือนนายแล้วคลายกํำลัดไหมเป็นอย่างนี้ก้อนในที้สุดก็พอเห็นแบบนี้ไปเสร็จใจก็จะน้อมก็หาวิสรณะคือพระนิพพานตลอดเวลานั้น ใจของท่านเนี่ยท่านทึกอุปมาเหมือนกับบุรุษเดินทางกันดานะ เ, เดินทางกัมยานหิวมากก็มีบุรุษคนหนึ่งหน้าตาสดชื่นเดินผ่านมาก็ถามท่านทั้งหมท่านท่านเดินมาข้างหน้ามีสารน้ำไหมมีโอ้รเจ้าอาบดื่มสบายแล้วเตรียมท่านไปเถอะไปทางนี้เดี๋ยวก็ถึงนั้นบุรุษคนนี้ถามว่าเขาจะไม่เศร้าสร้อยหงอโงยเลยเมื่อเขาเห็นทุก ใชแล้วเขาประสบชาติทุกขชราทุกเขาไม่เหนาะหมวยเลยเพราะเขามีวิสารณะวิเวศเป็นอัจฉริยะใสมีพระนิพพานเป็นอัจฉริยะใสเขามีสาระเขามั่นใจว่าเขาไม่อนาถาเพราะเขาลังเขาจะต้องได้รับทรัพย์ของพระพุทธเจ้าแน่มาเขาเป็นธรรมทานญาติไม่ช่อวิสทาญาติเขาจะต้องได้สวยโลกุตละทรัพย์หรืออริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าแน่นอนเขามั่นใจอย่างนี้เบสเสร็จแปลว่าเขามีที่พึ่ง ไม่ใช่เป็นบุรุษอนาถาใช่ไหมที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาจะมีการราชาพิเศษแล้วไปดูเอาตนเองเป็นคนง้อยเปี้ยเสียขาที่คนพิการจบเลยไม่ได้ไม่ไมีโอกาสไม่มีโอกาสจะตัดสู้ตามประธรรมของพระคู่พุาธเจ้าใช่ไหมถ้างั้นก็แปลว่าจบเลยเราไม่ใช่อะ่ะใช่ไหมเราต้องสําคัญตนเราเอเนี่ยเราเนี่ยใช่ไหมเป็นสาวกของท่าใช่ไหม และเราไม่ได้มุ่งหวังอมิสิทายาตถ้าบวชเข้ามาไม่ใช่มุ่งหวังอมิสิทายาตใช่ไหมไม่ใช่เป็นโอ้จะได้มากินดีๆได้มาหอมยีวอนวสวยๆเดินอวดคนอื่นแล้วมาไม่เอาหรอกใช่ไหมหรือว่าย่ายกยุคติงามๆหรือว่าอยู่อยู่อย่างสะดวกสบายมีชื่อเสียงไม่เอาอะ้รอย่างนั้นใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่อมิสทธายาตไม่ได้ไม่มีประโยชน์นี้สุดก็จบอยู่ในห้วงของวัฏทุกรใช่ไหมเราต้องน้อมตนเองนี่เป็นธรรมทายาทได้ รับมรดกถึงทำหมู่มพุทธเจ้าใช่ไหมต้องตั้งอธิยาศัยอย่างนีน้ถ้าไม่ตั้งอย่างนั้นยุ่งไลยทุกลมหายใจเข้าออกต้องตั้งไหมต้องตั้งเลยนะต้องตั้งอธิยาสายเขาว่านี่าาเป็นไปลักษณะนี้ฉะั้นเวลาเขาไข่ควรหรือพิจารณาเบ็ดเสร็จก็จะน้อมน้อมนีสศาสนาเวเป็นอจชาทิยาถ้าน้อมอย่างนี้นะฉะนั้นอาศัยแต่าทางเขาเวิเวทหรือแต่าทางก็ประหาร น้อมก็หาอะไรนิสระวิเวกหรือนิสรณะประหารหมายถึงพระนิพพานท่านน้อมเชื่อมกันนี้เหมือนบุรุษเดินทางกันดารนี่แหละมีคนบอกว่าข้างหน้ามีสาน้ำนี่แหละความหวังเกิดนี่ก็เหมือนกันเราเดินทางกันดานนะพบเนี่ยชาบกันดานชรากันดานพญาทีกันดานยมกันดารไหมมรณะกันดานความโศกกับกันดานปริเทวะกันดารอยู่ไหม ความล่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจมีเป็นความกําดา n ดีกั n ดา n เหล่านี้มันโผล่เข้ามาในกระแสขันของสัตว์โลกยาวนานแล้วแต่เราไม่เคยเห็นใช่ไหมกันดา n มากเลยนะเราโดนถมทับเข้ามาเนี่ยแต่ก่อนอาตมาอยู่ท้องไร่ท้องนาอาตมาก็นึกเนี้ยโอ้โหคนเขารวยรวยหรือไงเขามีความสุขใช่ไหมนี่อาตมาตอนนั้นยังเด็กๆอยู่นะ ที่บ้านก็ขายข้าวโพดขายข้าวเลยเนี่ยนะอันมาก็อกโอ้มีคนตนั่งรถมามีคนก็เรียกทอกแก่เนะ่อันมาก็อยากจะดูไอความเป็นทอแก่สบายขนาดไหนะอันมาเขาไปดูความช่างคิดนะนะอันมาเดยกไปไปดูดูเขาอีกแล้วก็มาเดเสร็จเอาให้คนนี้เขาเรียกทอกแก่มารับซื้อข้าวรับซื้ออะไรต่างๆนั่งรถอะไรต่างๆมาเนี่ยนะเนี่ยมาก็ไปเด็ดเสร็จก็ไปคุยกับพ่อตอนนั้นยังเด็กๆเลยเนี่นะ อายุสักเจ็ดปดขวบเนี่ยนะเขาบอกไอ้ขอติดรถเข้าไปหน่อยได้ไหมไอ้ในใจคิดอะไรด้วยไหอยากไปดูชี่บ้านว่าเขาอยู่สะดวกสบายยังไงว่าคนรวยอยู่ยังไงคนจนอยู่ไงจะได้คิดว่าเขาสุขไหมเพราะถ้ามาจะตื่นไอ้วาจําความได้เนี่ยชอบไปนอนอยู่อยู่ไอ้ท้องว่าไอ้ท้องปอกองฟางอ่ะแล้วก็ดูดาวดูเดือนเนี่ยนะดูดวงจันทร์มีรอยมานั่มาก็ถามตัวเองเนี่ยเรามาอย่างไหนเนี่ยแล้วชีวิตมันจะไปยังไงเนี่ยก็ถามเนี่ยนะ มันถามมันหาหนทางอะไรมันก็อยู่ไม่ใจมันเหรออยู่ไม่ใจมันทุกทำไมมันทุกเขาว่าสุกสุกในบ้านเหม็นสุกไปเนี่ยนะใช่ไหมก็นั่งคิดมองไปดูแต่ดวงจันทร์ดงเดือนอยู่นั่นแหละพ่อเขาชอบเราด่าอยู่ด้วยว่าหาไปมองอะไรกันไม่รู้ไอ้มาก็เปไปนอนอยกับรองป่าอะไรเนะ่ยต้องหัมองแต่นี้ก็ก็ตามตามเข้าไปนี่นะตามเข้ามาที่แถว ก็มาที่ในตัวจังหวัดมันมาอยู่บ้านอยู่อยู่ในป่าเนี่ยนะมาที่ตัวจังหวัดก็เขาก็บอกไอ้หนูกินข้าวกินอะไรมาก็ไปดูนี่เขามาเขาทะเลาะโวแวนกันนะว่ากันงอแงงอแงเลยระหว่างแ้วมีภรรยาบ้างอะไรบ้างเขาบอไอ้นี่สุกอะไรไรเนี่ยใช่ั้มเอ๊ะมันมันมันไม่ใช่สุขอย่างเราคิดเนาะก็มาพิจารณาดีดีแล้วก็มันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเขาไปซื้อลิ่ พอเขาไปเนะพอเขาไปกลับไปเสื้อกลับข้าวหยิบเสื้ออะไรต่างๆนี่กลับไปหาซื้อเขาพดเสื้ออะไรไไ ก, นน ก, ก, ก็ไปคเขาไปแต่คนที่เขาแก่อๆไปไปเสร็จแต่นี้กลับไม่ทันก็ไป น, นอนอามาก็ลุกขึ้นมาที่ดูคนรวยนอนนอนนียัะมาก็ไปดูต้องเกลียดดูไม่ใชอนน่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ทีหวังแต่ก่อนอามาเรื่องรวยนี่มันยากครับอามาคิดแต่เด็ก ๆ, ๆนี่นะที่ไม่เห็นจะยากอะไรเลยถ้าซื้อขายกันแบบนี้ใช่ไหม อมาไปต่อรองเขาเลยบอกบอกยมพ่อนี่ไม่ยากเลยเรื่องเรื่องยามีกันไม่เห็นต้องมาเหนื่อยอย่างนี้เล ย, เาายถามว่าทำไงเขาบอกยศพ่อบอกว่าไม่ยากหรอกก็นี่งไงเขาไปซื้อเนี่ยตามเขาไปดูแล้วเขาซื้อของเราไปเนี่ยถังหนึงประมาณาาาาาายี่สิบห้าบาทเขาไปขายสามสิบกว่าบาทที่ได้เยอะแยะใช่ไหมเขาไปเลยปิทิศที่อยู่ในโรงสีหรือท่าเรือเนี่ยใช่ไหมแถวแถวแม่น้ำหรือตา่างก็จะมีโรงรับหรือต่างกูมันต่างนี้เยอะแยะ นี่ซื้อ20บาทไปขายเกือบจะ40บาทเราเหนื่อยแทบตายพ่อมียากยบเลยอ้าวเราไม่มีตังค์เลยพ่อแต่ลูกมีเงียแล้วก็ขอพินส่วนถามก็ได้เยอะแยะหมดใช่ไหมพราะเรารู้จักหมดนี้ยมพ่อรู้จักคนเยอะแยะในหมู่บ้านเนี้ยยมพ่อก็รับซื้อเองดีก็ขอขึ้นราคาขั้นหน่อยแค่ถังไม่กี่บาทไงนิดเดียวเย้แกบอกนั้นเองเนี่ยนะท่นอาจารหาเหตุหาผลเรามาวิจัยทีนี้ ถึงบอกว่าปันัญญาหาทรัพย์มันไม่ยากไงทรัพย์ข้างนอกไงแต่อริยาทรัพย์ยากจังยิ่งอริยาทรัพย์นี่ยมันยากกว่านั้นเยอะใช่ไหมทีนี้ก็มาพิจารณาอย่างนี้ก็รู้อีนี่ไม่ใช่แนวทางเราเนี่ยใจก็คิดตลอดได้ทีแต่ว่าไม่รู้คืออะไรไม่รู้คืออะไร น, าานี่นะใจนี่ฝังฝังแน่นนี่แต่ไม่สบายใจไปดูเขาแต่งงานก็ไปเพื่อนแต่งงานก็ไปนั่งดูใกล้จะบวดอยู่ไปูโอนสุขเป็นยังไง ก็อนาราดูเนี่ยโปีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานะไปแต่งไปทำผมส ม, ผ ม, นะ ม, มัยก่อ น, อนต้องไปทำผมไกลๆกลับมาไม่ยอมต้องมานอนคว่มหน้ า, <c oughs> าเลยต้อบอกทำไมเฮ้ยถามถตะกีดมันทำไมทุกทรมานขนาดนีน้ตลาดเน่ต้องมายุ่งอยู่กับผมเนี่ยในะชีวิตเนี่ยนะมันมันมันทุก ใช่ไหมจมองแต่พอแล้วมันไม่เคยได้รับความสุขความทุกข์มันบีบคั้นองพร้ะพอมองใสก็เป็นคารวะน้ำบ้าบ้าไม่มีทางออกอ่ะใช่ไี่จะพอมาบวชเข้าเนมัโลกอ่ะว่าเออนีช่แล้วพอพอมีพอมีความรู้สึกวันนี้หอมเลยนะเพราะหมหรือไงนะมีความรู้สึกว่าแล้วยังไม่รู้อะไรกันอะไรเนี่ยเหนียวช่แล้วาะความรู้สึกว่าแล้ว เป็นยังมีกองส่งมา้เนี้ยพอจะศึกษาไปยิ่หลงคิดหลงทางไปเยอะผู้ทําสิ่งที่ไม่ควรมาไปเยอะนีบวนมานี่ทำตัวเป็นอาจารย์สอนก็รมถานมาไปเยอะมันไม่เอาได้เลยเห็นไหมเพรางทีรู้ด้วยความรวดเร็วที่เราเรียนเนี่ยแล้วก็ไปคิดอย่างเร็วเลยใช่ไหมเข้าใจไปเรียนรู้กับเขามาไม่เร็วก็ไม่นานก็เอามา่อนใช่ไ ยังบอกว่าออคําสอนพระเจ้าต้องระวังเพราะว่าเป็นคําสอนพวกคนมีปัญญาเนี่ยใช่ไหมงั้นก็ใครขควรต้องพิจารณาให้ชัดณตรงนี้ถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นเยองถ้าอย่างนี้เริ่มเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่าถ้าเห็นในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนิสตาเนี่ยนิส ร, รณวิเวกเกิดน้องก็หานิสระวิเวกตรงนี้นี่แหละเขาเรียกว่าอาศัยต่ธรคมขวเวกโดยแต่ธรรมขปหาดโดยปหาหน้า ก, กิจ และก็น้อมหานิสระวิเวทใช่ไหโดยอัจฉายะถามว่าตอนนั้นสามารถสัมผัสพนิพานโดยอารมณ์หรือยังบอกยังเลยแต่ด้วยการที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาดีแล้วก็มีสาระมีที่ขึ้งทั้งทั้งที่เห็นภัยหมดเลยใช่ไพิจารณาไปที่ไหนก็มีภัยรอบด้าน ถามว่ามีขันไหนบางที่ไม่เป็นที่ตั้งของชาติทุกเชลาทุกมาแล้ ว, แ ล, วแล้วใช่ที่พึ่งไหมไม่ใช่เลยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่สราระนะไม่ใช่ที่พึ่งใช่ไหมผมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกของเราไม่ใช่ที่พึ่งบางทีลูกบอกแม่แม่ไรแม่ทำเป็นที่พึ่งนี้กับลูกนะ แล้วเราก็ถูกแม่สอนมาอย่างนี้แล้วเราก็เข้าใจว่าแม่พ่อเป็นที่พึ่งกับเราใช่ไหมใช้จริงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หรอกนั้นวงจรการถ่ายทอดความรู้ทางนี้ยมันผิดมาเราต้องยอมรับพ่อที่จริงว่ามันผิดถ้าใครเคยยอมรับความจริงไหมว่ายริงว่าสอนผิดถ้าสอนผิดจริงๆแล้วเราก็ถูกสอนมาผิดผิดเนี้ยใช่ไหมลูกขยันกินและโตขึ้นจะสบายเนี่ย เอากินเอกินเอาก็รีบเร่งสอนเขาเดี๋วเรียนจบจะสบายใช่ไหมเรียนจบไปเสร็จแล้วแต่งงานจะสบายใช่ไหมแต่งงานแล้วมีลูกจะสบายมีลูกลูกเข้าเรียนจะสบายลูกเรียนจบจะสบายลูกแต่งงานจะสบายลูกมีลูกแล้วก็จะตะเออจะสบายใช่ไหมมีหลานจะสบายก็สบายสบายัคิดด้วูถ้าถูกสอนมาแบบเนี้ยแล้วมันผิดไงเข้าใจอย่างนี้มันผิดใช่ไหม มันเลยเป็นวงจรผิดมาอย่างยาวนานเลยเราไม่เข้าใจความจริงของชีวิตว่าจริงๆมันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หรอกถ้ามาสงสยัยจะเป็นฆราวาสแล้วนนสบายยังไงสบายยังไงมันนึกนึ ก, น, กนึกตลอดไม่ใช่กันมันไปเสียหกแต่ใช่เราตอบก็ไม่ได้ไงว่าสิ่งที่มันใช่มันหาไม่ได้ตอนนัน้นหาไม่ได้แต่ตอนนี้ได้แล้วใช่ถ้าต้องเปลี่ยนแปล อันนั้นคือที่เราต้องเปลี่ยนแปลงขี้ขี้นะเอางี้ว่ามันเป็นตั้งหลายร้อยศตวรรษแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องเปลี่ยนวันเดียวได้แน่นอนที่จะให้เขาเข้าใจชิดทีนี้เราลองย้อนย้อนหลังไปดูชีวิตของอริยะเจ้าทั้งหลายเออลองย้อนหลังแล้วเราจะเข้าใจชัดอาตมาเนี่ยไปอินเดียเนะี่ยอาตมาไม่ได้ไปแค่อินเดียอินเดียอาตมาคิดคิดทั้งในคําสอนคิดทั้งสภาพ คิดอะไรถูกไหมเวลาไปที่เชตาวันก็ดีไปที่เวรลกวันก็ดีไปที่ชิวากาอัมพวันเป็นต้นหรือไปในะสถานที่ต่างๆที่จักรวรมศ า, ศาสดาเคยนําพระธรรมคำสอนพุทเจ้าไปนี่ถ้ามาภาพเก่ามันเกิดขึ้นในใจอ้มาไอบรรยากาศในใจอมันเกิดคโสร้างบรรยากาศในใจมันเกิ ด, รรากาใใกดความเห็นพระอริยะทั้งหลายที่เป็นบุรุชนเออเพราะไปที่เป็นคารวะเนี่ยเยอะต้องคิดดูที่พระพุเจ้าเทศนา ทานกคาถาสีลักคาถาสัทธาคาถากามาทีนวะคาถาเนกขมานิสังสักาถาแ ล, ล, ล้วสรุปลงเรื่องอริยสัจสุคือทุกสมุทัยที่เราทพระเจ้าทีมที่สามพร้อมได้บริวารสิบเอ็ดหน้าหุดคือสิบเอ็ดนึ่งเนี่ได้บรรลุอ่ะกลุ่มนั้นไม่ได้บวชเลยะแล้วคารวาสในเชตวันเป็นตน้วเหี๋ยเนี้เจ็ดโ ก, โกโดนีนะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยห้าโกโดโกโดละสิบล้านห้าโกโดก็คือห้าสิบล้าน ประชากรห้าสิบล้านฟังเทศกันไม่เท่าไหรบรรลุท้ายยัเต็มไค้าขายทําการงานเต็มไปหมดนั้นท้ายยะกษ์เขาไม่ได้คิดแบบพวกเราอย่างเนี้เขาไม่ได้คิดว่าสบายๆอย่างนี้หรอกเขาเข้าใจวงจรของชีวิตเขาวงเขาเข้าใจวงจรของปฏิจจ ա เขาเข้าใจวงจรของขันยัตนาธาที่มันดําเนินไปเขาเข้าใจสัตว์บุคคลเข้าใจชีวิตของเขาในการที่เ้าจะเลี้ยงชีพอย่างอริยชน สังคมของเขาจึอเป็นสังคมอิฐสังคมหรือคนละสังคมก็ลองเ ข, าเาข้าใจยังไหมเขาไม่ใช่สังค ม, มทิจชาติที่ถี่ก็เป็นสังคมสมัยที่ถีแล้วมีพระเจ้าเป็นศาสนาชัดเจนทำลงแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมเขาฉลาดเข้าใจยังไหมบรรยากาศอคนละบรรยากาศกันแต่ความรู้สึกตรงนั้นน่ะเราศึกษาเขาทำคําสอนมันต้องเชื่อมโยงให้ชัดให้เห็นให้เห็นภาพเหล่านั้นออกมาได้ น่าจะมาใยฝันภาพอย่างนั้นมากกว่าจะใยฝันอื่ภาพอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมถ้าภาพอย่างนั้นบรรยากาศต่างกันอย่างนี้โดยสิ้นเชิงไหถ้าอันนี้ไม่ใช่ใช่ใชไหมแต่ภาพคุณท่านก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งอีกเป็นอย่างนี้ทีนี้วิถีชีวิตความคิดของท่านจงไม่ถึงต่างทางต่างอยเราได้ชัดเจนพร ะ, ะที่บวชเข้ามาเนี่ยนอกจากจะพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจา้าทั้งหลายคอยเชื่อกูรแล้วเนี่ย ญาติโยมบาสุบาสิกาทั้งหายยุคพระธรรมที่ไหนอยู่ทุกวันนี้เาถึงเพ่าอาตมาจะเดินไปไหนถามว่าอาตมาจะหากระยาดมิตรที่รู้ว่าธรรมที่ไหนเน่ยพอที่ทําไมอาตมาหยุดประกาศคําสอนไม่ไม่ไมไมไมสอนพระธรรมอาตมาก็ยิ่งเกิดสุดพอยิ่งหยุดไปยิ่งหยุดมาเนี่ยนี่จริงในความเดือดร้อนอาตมาเดือดร้อนก่อนเนี่ย <c oughs> คนไม่รู้ทําวิี่ไหแวดล้อมมากขึ้นอาตมาเดือดร้อนไหมเดือดร้อนมากอยู่ไม่ได้ ที่เราอยู่ไม่ได้เนี่ยต้องรู้ออกมาประกาศพระธรรมพอประกาศพระธรรมพอคนรู้พระธรรมวินัยก็มันจะทําให้เราอยู่สะดวกขึ้นอัตใจแรกคืออรตมาได้อยู่สะดวกขึ้นเข้าใจใช่ไหมเพอได้อยู่กับคนที่รู้พระธรรมมันเป็นความสุขนะถ้ามีกลุ่มสัมมาทิฏฐิทั้งหลายเนี่รู้พระธรรมวินัยใช่ไหมเข้าใจพระธรรมคาสอนเออได้สนาน า, นาใช่ไหม เราหลีกเล้นได้เข้าสนทานาไปที่ไหนพอจะเจอหน้าคนนั้นคนนี้ได้บ้างใช่ไหมใช่พอจะเป็นกัลยาณมิตรแก่กันและกันได้เราติดถัดบังประกาแล้วก็สอบสวนด้วยกันในการดีขึนแต่ถ้าไม่ลุกมาประกาศเพราะทำอะไรสิ่งที่เป็นคําสอนพระเจ้าก็จะหายจมไปใช่ไหมสิ่งที่เป็นอาธรรมและวินันยอาวินัยอาธรรมมากก็จะขึ้นมาครอบงาเต็มไปหมดเนี่ยมาที่ไม่ได้แล้วนั่นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็คือว่าชีวิตที่เหลืออยู่ก็เอาจะประกาศไม่ทำสักระยะหนึ่งก็เราจะหยุดแค่นั้นเอง นั่นคือความตั้งใจ <Yes. S 1> นี่นคือความตั้งใจว่าเออทํากิจนะมบ้างไม่ใช่อยู่โดยไม่ทํากิจเลยเนี่ยนะก็จะทํากิจในการประกาศกระทำคำสอนพระเจ้าแต่ว่าก็ก็มีจังหวะเวลาอยู่นะพวกนั้นกนะ็มาญาติหนึ่งก็กต้องหยุดเพราะว่าชีวิตจะต้องมีการเลือกรายอยู่แล้วในชะ่ไหมถึงไม่เลิกถึงไม่หยุดเดี๋ยวเ้าให้เราอยุดเจองแต่เวลาก็เลยก็ตอนนี้เป <ๆ S 2> ็นเรื่องขยายความถึงแม้คำสอนพระเจ้า ทีนี้ปัญหาคือว่าตรงนี้นี่นะบอกว่าการซาเวทนาการเสวยเป็นของขายจริงแตตรงนี้สําคัญก็คือว่ากิงการนาเวทนาเพราะเหตุไรจึงเสวยเนี่ยเพราะมีวัตถุแล้วก็มีอารมณ์นจะจึงมีการเสวยเป็นต้นเพราะเหตุนั้น่ะเขารู้ชัดอยู่อย่างเนี้ยเวทนานั่นเองเสวยเพราะทําวัตถุแห่งความสุขเป็นต้นนั้นน่ะให้เป็นอารมณ์ใช่ไหมก็หมายความบอกว่า ไอตัววัตถุที่จะเป็นปัจจัยแก่สุขเวทนาก็มีนะยกตัวอย่างเช่นว่ากุศลกรรมในอดีตใช่ไหมมีส่วนไหมกุศลกรรมในอดีตเป็นปัจจัยให้ได้รับเสวยสุขเวทนาเราก็ลองมาสังเกตดูวนะ่าชีวิตของคนบางคนขาขึ้นนะ่ะอันนี้จำขาขึ้นชัดมากบอกอ๋อกุศลกรรมของเขาก็กุศลกรรมกำลังผลิตพิบากให้ผลโอ้โหบางคนก็อยู่ในขาขึ้นเลยนะ ทำอะไรประกอบอาชีพการงา น, นใช่ไหมทีนี้แล้วอย่าลืมนะว่าถ้าเราเห็นกูตัวกุศลกรรมแม้ของเราก็เหมือนกันเวลาเราจริญวิปัสสนาเนะถ้าเราจเจริญถูกจเจริญสมถะหรือวิปัสสนานี่นะวนเวลาจเจริญถูกเนี่ยถ้าเป็นอานิจจังขาขึ้นนะทางพระธรรมวิสอนเรื่องศีล ส, สมาธิปัญญามาเริ่มเชข้มข้นขึ้นยังไงตัวเวทนาชัดยกตัวอย่างเช่นว่าปลามโมด มันได้ใช่ไหมตีติปัสสติความสุขสมาธิเห็นไหมให้ตัวเวทนายิ่งปัณณีไปเรื่อยๆไหมปัณณีไปเรื่อยๆและจนรู้ชัดตามความเป็นจริงเป็นต้นลองคิดดูที่ทักเวทนาในในมหากุศลเวทนาในรูปกุศลสุลเวทนาในอรูปเวทนาในมรรคจิตพลรจิตยิ่งปรณณี นี่ไงคือคือสภาพของเวทนาที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยฉะนั้นเวทนาใจอาลาตมักอาลลาตผลเนี่ยเวทนาเหล่านั้นเป็นเวทนาขันที่เชื่อมโยงอุปการละมักผลเป็นธรรมที่เกื้อหนุนมักผลนะเป็นอารมณ์ของเป็นอารมณ์ของเป็นอารมณ์ของสติสัพชัญญะของปัญญาด้วยของความเพียรของอริยมรดุด้วยนะและ ตัวอริยมรรค์ประดีตัวโพธิปักจายธรรมปรดีมาวิจัยเวทนามีสติเป็นตัวระลึกนะตัวความเพียรก็คือประคับประคองนะและปัญญาก็ไปวิจัยสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาเป็นต้นเหล่านี้นะวิจัยจะเห็นรู้เหตุเกิดความดับเป็นต้นอ า, ศาัศธาอทีนาวานิสรณะของเวทนาเป็นต้นเหล่านี้นะไล่ไปตามลําดับจนรอบรู้เวทนาถ้าแทงตลอดอายศาสตร์นะอะไรว่าในที่สุดจริงๆจะเข้าถึงการดับเวทนาได้อยังเท่าไหร่ ใช่ไหมแล้วรัตก็จะไม่สวยเวทนาต่อไปอีกในทุกภพกอย่าลืมนะว่าเวทนาเนี่ยถ้าเราเวทนาในอบายภูมิเราก็สร้างไว้แล้วอย่างมากมายใช่ไหมเวทนาที่เป็นอบายสัตว์ทั้งหลายแถมว่าเราเคยทำกรรมอะไรตั้งที่หนักหนะักในสังสารวัฏไม่เคยทํากรรมอยู่ก็คือมรรค ก, กรรมเทนะ่านั้นส่วนกรรมที่เป็นอโหสิกรรมไปแล้วก็คือพวกมาหาคต ก, กรรม ที่เป็นฝ่ายของรูปากุศลก็รูปากุศลใช่ไหมฉะนั้นตัวกรรมเหล่านั้นเวทนาเหล่านั้ น, เ, น, นเราไม่ได้แล้วเพียงได้อุปนิสยปัจจัยอยู่ส่วนในทางด้านของจะเป็นในด้านของการให้ผลไม่ได้แล้วแต่เวทนาในการเป็นมนุษย์เทวดาอีกเทียบที่เคยทำไว้เวทนาเหล่านี้มีตัณหามนตทิทดถูกรัดลึงอยู่ แต่เวทนาที่หนักตัวสุดก็คือเวทนาในอบยภูมิการเป็นสัตว์นโลกเป็นอสุรกายเป็นเปรตเป็นสัตวาา์ระหาดซึ่งเวทนาเหล่านี้รอโอกาสในการผลิตวิบากอยู่ใช่ไเราจะดับเวทนาเหล่านี้ท้าวได้นะที่ไหนที่อารามะเราจะดับเวทนาในใบยภูมิได้นะที่ไหนที่โสดาเปิมากเราจะดับเวทนาในกามภูมได้ที่ไหนที่ในอนาคาเมมัชทีไหม แล้วจะดับเวทนาอย่างถาวรในอลหัตมร์เท่านั้นเพมองเห็นใช่ไหมเนี่ยถ้าเราเข้าใจชัดอย่างนี้เบเสร็จเนีะ่ะก็จะไปปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกาหนับเพื่อเป็นปัจจัยการดับเวทนาโดยแท้นั้นการรอบรู้เวทนานั้นต้องรอบรู้เวทนาเพื่อเป็นปัจจัยการดับเวทนานะใช่ไม่ใช่ถ้าไม่สามารถดับเวทนาได้เวทนาก็กําเลิกอีกเวทนาก็กําเลิกอีกพระพิจ้ารณ์ตัดสรู้พระพิจารณาประการเลยใช่ไหม บอกว่าดูก่อนายช่างเรือนนะเราเห็นเจ้าแล้วนายช่างเรือนคืออะไรสมุทัยาาาสัจจคตัญหาใช่ไหมพระพิจารบอกว่าเราสแสวงหาเจ้าเนี่ยยี่สิบอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากรับบัตรนี้เราพบเจ้าแล้วแปลว่าอะไรคำนี้คืออะไรอ่ะ ใค้ตอบคนี้ได้ไหมบัตรนี้เราพบเจ้าแล้วอะไรคือพบถ้าใครตอบได้อ้าสมุทัยะอ้ใครตอบได้เพราะว่าไงท่านอาจารย์รู้แต่ว่าท่าจะร้าติดต่อไปไม่ได้ไม่อาจารย์เลยรู้แต่ว่าท่านจะสร้าติดต่อไม่ได้แล้วเห็นไหมเพราะเราสวดกันมาบ่อยเยอกวนี้จมา ดูก่อนในช่างผู้สร้างเรือนเนี่ยบัตรนี้เราพบนั่นคําว่าเราพบนั้นแปลว่าบัตรนี้เราได้สัมมาลัมโพธิญาแล้วใช่มใช่ไหนะเราได้สัมมาทั้งโพธิญาแล้วนั้นสัมมาสัมโพธิญาเนี่ยหากมาค้นทันเจอต่อไปนี้ท่านจะสร้างเรือนคืออัตราพ์ใช่ไหม อัตภาพก็คือจะสร้างพันห้าจะสร้างอายตนะสิบสองจะสร้างธาตุสิบแปดของเราไม่ได้อกต่อไปแล้วโค้งเรือนคือกิเลสทั้งหลายนะเราลืมหมดแล้ยอดเรือนคือช่อฟ้ารู้จักช่อฟ้ารู้จักไหมช่อฟ้าคืออวิชชาเราหักลงมาทิ้งแล้วคือปัน่นคืออวิชชาเราหักยอดใช่ไหมนี่ง ใช่นี่พระพุทธเจ้าเนี่ยค้นเจอได้ด้วยตนเองนี่ไงสัมมาสัมพุท ธ, ธะตระหนูได้ด้วยตนเองแล้วก็ประกาศบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสัญขาติมียานของท่านจะไม่กำเริบเลยใช่ไหมที่เวลาสวดอะไรนะยาาพิโมเรอนุปัตเวดานเย ทิโนเปรุโคปุนเรวะรหะติเวันติตันหานิสัยอนุหะติมัสสิทุกามีทางบุณอาุนังยาสาชัตังสติโสตามะนาพัสาวะนาพุสตามหาวันติทุพิทินสังกับปาลาทันติตา พระดิชาบอกว่าปัญหาเนี่ยคือสภาพของสัรหาเหมือนเทาวันตัดแล้วมันแตกตัดแล้มันแตกใช่ไหมแบบ น, นี้ท่านถอนลากถ้าต้องการจะกําจัดเทววันเนะี่ยต้องขุดเข้าไปถอนกระทั้งรากแล้วเนี่ยตัดมันให้ไม่เ ห, เหลือเชื้อใช่ไหมมันจะได้ไม่ขึ้นอีกต่อไปนั้นที่เรารู้อย่างที่คุณโยมหรืออย่างที่โยมสปันหงรู้เนี่ยมันรู้แบบ ไปตัดยอดนิดเดียวเองมันก็แตกใหม่ม เ, เข้าใจยังไม่ไปตัดยอดที่รู้เนะี่ยไปตัดที่ยอดนะอา๋ยะต่อไปเดี๋ยวมีใครถามปัญหาไหมใน ม, มีใจจะอุทิศส่วนกุศลกัน